อ้ฝ่าวเล่งเผาเดอรมเพียนเดอร์ไอ้ฝ่าวเล่งคมผักคมเพียนเขามายวัดเนี่ยมัน ม, น ม, ม, นมีมันมีความดีห ล, ละหล่ะที่สถานที่ไม่็ดีมูอพวกก็ดีความเป็นอยู่ดีเม็ดห ล, ละหลักยูวัดเขาเนี่ย่งส่เข้าตอนนั้นเดงยังใส่เข้าเขาเล่งนะคมผักคมเพียนเวลามันแห้งหม็ดป้ายเม็ดไป เขาอยู่หลายเข่านะโอ้ยมือนึงเห็ดไก่แนี่ยเดียวนุ่งกระเปทันแล้วคัมแล้วเข่าเล่งซะเพรมันมันไก่แล้วมันจอแล้วเอ๊ะที่แล่ะคนสมีเดมาอยู่น้ำกันมาเห็นหมูเห็นพวกสิ่ปอบ้าน้านั่งคันเนี่ยกิบอเหลือดิบด่วต้องนี่เนวสิทสไผไปมั่นกันแต่ละคนอเนี่ยเปิดมาแล้วมัน มันมีเพิ่มเป็นไฟของที่วิตยุมันบล็อกขึนกันอายู่ทำสันคือคืออันใดโอกาสดีแล้วพ้อมูอดีแล้วนึ่งาบเฮุอันเบอร์เฮดนะมันมดเวลาเจ้าของหมัดเวลาเองหรือมูืหมัดเวลาก็นี่ถ้าเลื อ, อ น, น, นเชือกมือก็ไปก้อนไปแะหถ้าเลื่อกกรกลับมาไปดูเขาดูเขาโรบอมาซ้าตาย เทากับกัน้าลัางเชือเท่ากับสายคอนมู้ะลังเท้ามูกับสายคอนเท้าที่ได้ตายคือแค่หลามูเทาเนี่นว่าขันเป็นคือยังนักโทษเป็นนักโทษะหาร เ, เนี่ยมูเท่านี่ตายสู่คนเทื่ยงะหารมึงไปจัดมันเอาอยัางต่อยังแ น, นมประหารน เ, นเอาเอรถมาเธอไสไม่ขี้ตำกันตายคนซานจะรมี่คือ ลูกฟูนสายหรือมีดคือมีดถือปันถือแท่งเข่าก้อนหินมาล้นทับหัวอยู่างเช่นมีดแต่ข้าวกับั้นยินไว้อันนั่นเห ม, ย, มาายนุ่มมาใ ส, าาาสน่นี่เหมยวุ่มมาใส่ตายพวกไม่ลมทับอย่านเงี้ยเขาจะนั่นอีกเอาโลกวัดเอาโลกมาเล่งเอาโลกเอดเอาโลกอย่งมา้นละตายไร้แนวเลยแท่อ่าอันนี้มันนี่อยู่ด้ะอุปกรณ์ที่มันจิพายเฮาตายมันนี่อยู่ แต่ขันพมันสายานนายานน่นยอยนมุนอี้กรสายย่อนเนื่อื่นกรสายรดกสายหย่อนอายุหลายปศอยู่ไปดนฝนแก่ชราตายย่อนลูกชราให้เ้าฝ้าโอยตองคิได้มันมีอยู่แน่ดีนะเนี่ยแน่ดีนี่อยู่มัอยู่ยสดอกอยาเลีงวฟอนสายดอกน่วงนี่ซ่อมใจเจ้าของนี่จไปซ่อมเจ้าผู้ื่นหลาย โ ส, quantity, สก็โสดจะคั่วมือคนซ่อมซ่อมหรือคนตามใจมือตาอะได้เนีมือตานี่เหลียวไปจะขุนไหมมือตานี่ย่อนขึ้นมาหง่อขึ้นมาหาขาม่าหาใจเจ้าของเนี่ยซ่อมใจเจ้าของซ่อมใจเจ้าของบริอาตาซ่อมหรอกเอาใจซ่อมเนาะเอาใจซ่อมเราจะเข้ากันหรอกนั่นว่าซ่อมซ่อมเหมือนการซ่อมนี่เราแต่ว่าคขวาน่า ฮาลัุนค่ะยักษีซ่อมอย่างก็ซ้อมลมนะน่นะกเเ็เป็นพาวาน่ า, าน เ, าเด้ซ้อมล้มเป็นพาวาน่าแต่ว่าซ้อมเนยน่อยโบสถ์ท่างหลายนี่ค่ะมันบสทันดีล่ะต้องซ่อมหลายๆซ้อมล้มซ่อมหลายๆซ้อมดูดูซ่อมนดนๆทีกับเป็นดอกภาวาน่ามีหลายแม่ห้องสืได้